เมื่อทูหลอกถูก ล, กกลงเขาแล้วโทษไม่เกิดภัยไม่เกิดขึ้นเราจะไปโทษใครเราจะไปนั่งโทษว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันก็ยากไม่กันแม้แต่ตัวของท่านเองท่านยังไม่ช่วยตัวท่านพระพุทธศาสนาจะยื่นมือเข้าไปช่วยได้ยังไงองสงัดไฟจอมตรทยงตัดไว้เสมอ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 ท่านดกนการความทุกข์ท่านทาอย่างนี้แล้เมื่อท่านทำไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่านท่านพอใจในด้านความสุขท่านกับพบความสุขท่านพอใจในด้านของความทุกข์ท่างกับพบความทุกข์วันนี้เราาพูดคึทวนไนที่คนจะศึกษาดีแล้วท่านกล่าวว่าคนทุกคนคนจะศึกษาระเบียบอินไนกดข้อบังคับ ที่ชนส่วนใหญ่วางไว้เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อความสุขร่วมกันคําว่าวินัยในที่นี้ก็ได้แก่กฎหมายของบ้านเมืองที่ประชุมวางกันไว้ว่าทุกคนควรจะปฏิบัติตามนั้นท่านก็นลองคิดดูว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเสียทั้งหมด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 ไปยังคนไม้ทําลายป่านี่แสดงว่าท่านพวกนี้เป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยนี่ระเบียบวินัยที่วางไว้ก็ห้ามการเบียดเบียนซึ่งกันและกันว่าจงอย่ามีจิตใจโหดร้ายทำลายบุคคนอื่นอย่ามือไวจะลักอย่าโกงจะโคดจะโกงบุคคลอื่นหรือว่าจะโคดจะโกงเวลาการงานของหน้าที่ เียคดเียโกงระเบียบประเพณีที่ตั้งไว้แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยบางคนที่มีอำนาจใหญ่ในสมัยก่อนก่อนที่จะมาจะเกิดเขาบอกว่าในสมัยนั้นเคยเห็นนั่งกินข้าวต้มกุยอยู่ข้างถนนพอมีส่วนหงานการบริหารบ้านเมืองมาเท่าไรความสิบีไรก็ปรากฏขึ้น ในฐานะของตนถ้าจะ ก, กล่าวกันถึงเงินเดือนท่าน ก, กล่าวว่าทําไปสักร้อยปีก็ไม่สามารถจะสร้างฐานะได้เท่านั้นแต่ถ้าว่าพอมาบริหารรายการแผ่นดินเข้าไม่นานนะักก็มีความร่รํารวยคนแบบเพศนี้เขาเป็นคนมีวินัยหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่พูดนี่พูดในสมัยก่อนที่ผู้พูดจะเกิด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 แต่ว่าทุกคนจะมีวินัยเสียหมดกฎหมายบ้านเมืองมีอย่างไรทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของขอบเขตที่เราอยู่ร่วมกันมีอะไรโดยเฉพาะว่าข้อบังคับนี้เขาจัดไว้โดยเฉพาะในเขตนั้นเราปฏิบัติตามนั้นระเพณีนิยมมีอะไรบ้างเราปฏิบัติตามหมดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีวินยัย ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบินในอันดีประพฤติดีประพฤติดดชอบถ้าเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นนายจ้างก็รู้ตัวว่าเราเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นนายจ้างคําว่านายจ้างจะต้องรู้อยู่เสมอว่าเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสําหรับลูกจ้าง มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกแจ้งทั้งหมดนี่เราต้องตัดคำว่าจ้างทั้นละขั้นท้ายทิ้งไปมีกําลังใจมีความรู้สึกแต่คาว่าลูกคิดเห็นเสมอว่าเขาผู้นั้นเป็นลกูกไม่ใช่เป็นลูกจ้างกิจการงานของเราจะเจริญขึ้นได้ก็เพราะอาศัยลูกเป็นผู้ช่วยทํา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 เราจะเงินดาวเงเดือนมาจากที่ไหนเขาจะเอาอะไรมาให้เราจ้างเป็นอนวุวาลูกจ้างก็มีระเบียบในฐานะที่เป็นลูกจ้างนายจ้างก็รักษาระเบียบเขานายจ้างไวด้วดีต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนี้ท่านเห็นว่าคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจีนศสีช่วยโลกแล้วได้อย่าง ที่พูดมันนี่อาตมาไม่ ย, ยืนยันแต่ว่าขอให้ท่านนั้นหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องคิดจงยาใช้แต่หูใช้ใจด้วยแล้วก็จงอย่าใช้ใจอย่างเดียวจงใช้ปัญญาด้วยจงอย่าใช้ปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวใช้สติสัมปชัญญะเข้าควบคุมปัญญาด้วยช่วยกันหลายๆอย่าง แล้ว ก, ก็นั่งคิดนอนคิดไตร่ตรองดูว่าศาสนาเขาองค์สมเด็จพระบรมครูถ้าสอนอย่างนี้แต่คนทั้งโลกปฏิบัติกันเหมือนกันหมดโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ข้อนี้ก็ว่ากันแค่นี้พระพูดกับคนมีปัญญาที่พูดแต่ท่านพูดท่านนนหลายฟังก็ไม่ได้คิดว่าท่านนั้นหลายเป็นคนโง่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 ยิงได้นำมาคุยกันฟังนึกวก็ช่วยกันฟังฟังแล้วก็ช่วยกันคิดว่าคำแนะนำเขาองสมเด็จพระธรรมสามิตรในครนี้ดีและไม่ดีที่ปล่าวมาทั้งหมด <c oughs> ต่อไปถึงกล่าวว่าจงใช้แต่วาจาดีคำว่าวาจาดีนี้ก็หมายความวาจาไม่เลววาจาดีก็คือหนึ่งพูดตามความเป็นจริง สพูดวาจาอ่อนหวาน 3. กล่าวเฉพาะวาจาที่พูดไปพูดเฉพาะเ่เป็นปจัจจัยเกิดความสามคัคคีมีความรักกัน 4. วาจานั่นที่กล่าวไปไม่เสเทือนใจของบุคคลอื่นเอากัยะยาอแบบนี้การที่องค์สมเด็จพระจรินดรสีกล่าวอย่างนี้ดีหรืออย่าง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 ใ ห, ให้ประโยชน์ส่วนรวมให้คนมีความสามารถขีดกันมีความรักกันมีการเกลื้อกลูนซึ่งกันและกันไม่คิดประหัตประหารไม่คิดวรทุสร้ายกันวาจารประเภท น, นี้จนเห็นว่าเป็นวาจาที่ดีหรือวาจาที่ชั่ววาจาที่กล่าวออกไปไม่เป็นที่สะเทือนใจของบอคุคคลผู้รับฟังเมื่อรับฟังแล้วก็เกิดการยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสมีจิตใจชื่นบาน ว่าจาประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงแนะนาท่านเห็นว่าดีและชั่วอันนี้ก็ขอยกประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังเพราะว่าผู้พูดได้พูดแล้วนี่ว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้มีปัญญาไม่ได้เคยคิดเลยว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่มีปัญญา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 เป็นเพียงหนึ่งในแปดหมสี่พันหวข้อเท่านั้นที่นํามาทั้งหมดนี่เป็นหข้อเดียวจากนั้นความรู้นี่ทั้งหมดไม่ใช่ความรู้ของคนพูดแต่คนพูดก็ไม่ได้เชิดชูตัวเองว่ามีความสามารถตามนี้เป็นแต่เพียงว่าคอยพยายามทําตามที่องค์สมเด็ดจพระจินศรีสั่งสอนมาเท่านั้น แล้วคงจะทำตามไม่ครบเส่ด้วยเป็นอันว่าคนพูดนี้อาจจะเลวกับคนฟังเป็นจนวนมากก็ขอยอมรับ <c oughs> เอากันเพียงว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเนี่ยดีและไม่ดีที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติการตามนี้โลกจะมีความสุขก็มีความทุกข์เราคุณคุยกันต่อไปใหม่ว่าการ องสมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าควรจะบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขการบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขเป็นความดีรือความชั่วมานั่งดูคนที่เป็นพ่อคนแม่คน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 นอนหลับสบายบายลูกชายลูกหญิงตื่นขึ้นมาร้องจ้าปรากฏว่าท่านแนสองก็ต้องคลายจากความสุขจากความหลับขึ้นมาประคับประคอง ล, ลูกลูกไทยอุจาะระปัสสาวะไม่สามารถจะทำนำตัวหลีกเล่นจากสิ่งโสโครนันได้เพราะนอนลุกไม่ขึ้นยังเป็นเด็ก มีดามันดาก็ไม่เคยสแสดงการรังเกียจอุจาระปัสสาวะนี่เป็นที่รังเกียจของมิดามันดาแต่ว่าของลูกที่ถ่ายออกมามีดามันดาอามือกอบไปทิ้งได้โดยไม่มีอาการรังเกียจใดๆ <c oughs> อาหารการบริโภคอะไรก็ตามที่ยัมีขึ้นมาเพื่อความสุขของลูกพ่อแม่ทำได้ทุกอย่าง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 พอรู้เกิดมาแล้วมารด้ก็ต้องประคับประคองลกูกเสียประโยชน์ผลรายได้ท่านบินดาก็ต้องเพิ่มงานมากขึ้นเพื่องานสมดุลกับที่ทำสองคนที่เคยได้มาอย่างไรก็ต้องได้มาอย่างนั้นแต่ว่าทําคนเดียวมันก็เพิ่มน้ําหนักไมการงานนอกจากนั้นยังมีความห่วงใยในลกูกหาประโยชน์ไว้เพื่อลูกต่อไป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 บางรายท่านมาบอกว่าเวลาที่จะลูกไปเข้าโรงเรียนท่านเจ้าของโรงเรียนหรือว่าผู้ใหญการถามว่าต้องการบำรุงโรงเรียนเท่าไหร่มีท่านหนึ่งบอกว่าจะขอบำรุงโรงเรียนหนึ่งหื่นบาทนี่ความจริงยังไม่ยีค่าเทอมไม่ยีค่าอะไรเป็นเงินกินเปล่าบอกว่าหนึ่งบาทท่านผู้ใหญการหรือใครก็ไม่ทราบ ท่านบอกว่ารอไว้ก่อนนะยังรับไม่ได้ถ้าบังเอิญถ้ามีบุคคลใดเข้ามาบารุงสูงก้อนนี้ก็ต้องให้เขาเรียนให้ดูเถอะเป็นแต่เพียงจะเข้าโรงเรียนเท่านั้นยังมีความทุกอย่างนี้แล้วเงินหมื่นบาทนี่ถ้าบิดามารดากวจะเก็บหอมรอมริบมาได้ก็แสนจะลำบาก <c oughs> ถ้าเป็นบิดามันดาที่มีความร่ำรวยเอาเปรียบเชื้อบ้านกินเขาโกงเขามากมากๆ ก, ก, ก็ไม่หนักใจแต่ว่าบิดามันดาที่ทํางานด้วยความสุจริตธรรมหาเดือนใช้เดือนหาวันใช้วันขันเปนโดนงานที่ต้องจ่ายเงินตั้งหมื่นบาทนี่บางทีลมเกือบจับเมื่อรูปเข้าโรงเรียนได้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองบํารุงความสุขก็ขดูแลความสุขของลกูก เกรงวันลูกจะไปไม่ทันโรงเรียนบ้างเกรงวันลูกจะศึกษาไม่ทันชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างเกรงวันลูกจะมีเครื่องใช้ไม่สอยไม่เพียงพอจนน้อยหน้าลูกชาวบ้านบ้างท่านก็ต้องแบกภาระกิจกายงานทุกอย่างจงกว่าลูกจะเรียนเสร็จและก็มีหลายรายด้วยกันที่ลูกเรียนสม เ, เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทํางานมีเงินดาวเงินเดือนดีกว่าพ่อกว่าแม่ แต่ว่าพ่อแม่ก็ยังไม่พ้นภาระพอลูกก็ยังต้องมาอาศัยพ่ออาศัยแม่มีบุคลคลคนหนึ่งที่รู้จักกันเป็นร้อยตำรวจเอกสมัยนั้นมีลูกชายอยู่หนึ่งคนพ่อเป็นมาตั้งแต่พลตารวจถึงร้อยตำรวจเอกสำหรับลูกพ่อมีทุนทรงให้เข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจ ก็เลยเป็นในร้อยตำรวจเอกท่านทันกับพ่อต่อมาเธอผู้นั้นมีบุตรจุดสองคนเธอก็บุตรมาสองคนสองคนนั้นมาให้พ่อเลี้ยงให้พ่อเลี้ยงลูกโดยเธอเป็นร้อยตำรวจเอกเหมือนกันพ่อก็เป็นร้อยตำรวจเอกเอาลูกมาพ่อเลี้ยงยังไม่พอยังแถมขอสตางค์พ่อด้วยนี่เป็นร้อยตำรวจเอกเหมือนกันนะ แต่ท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเต็มใจในการปฏิบัติเมื่อลูกต้องการก็ให้ลูกของลูกลูกเอาลูกของลูกมาให้เลี้ยงบิดามันด้ก็เต็มใจมาขอเงินไปใช้พ่อก็ยังให้แม่ก็เต็มใจให้นี่เป็นความดีของบิดามันดาเป็นส่วนยอ่อ ท่านนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสําหรับท่านที่มีความดีอย่างนี้เราก็ควรจะบํารุงท่านคิดถึงตัวเราก็แล้วกันถ้าเราลงทนหนักอย่างนั้นท่านลูกเป็นคนอกตันโยไม่รู้คุณคนต่อมามาปีกล้าขาแข็งมีความรู้กลับมาสแสดงตนว่าตนเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับวีดามารดา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 จ้ว่าจะไปบอกว่าแล้วก็เราเข้ามาเกิดเพื่อประโยชน์อะไรที่เขาไม่ได้เชิญมันจะสมควรกับคนเลวประเภทนี้เลยลก็ควรจะใช้ว่าเขาไม่เชิญเสียกมาทำไมถ้าหากว่าท่านนั้นไหลไม่เต็มใจให้เราทรงอยู่ในขณะที่เราอยู่ในคันท่านทำแท้งทะยฎีว่าอย่างไรเราก็ตายเลิกค ล, ลอดออกมาแล้วท่านปล่อยให้ตายไม่เลี้ยงดูเสียเราก็ตาย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 สมบูรณ์พลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี